การนึกไปจะขอทุกคนตั้งใจฟังคําแนะนำจะในการเจริญกรรมาฐานเอามือลงหนูเอลงลงเ้ไม่ต้องเอามือจะต้นนานคําว่ากรรมาฐานแปลว่าฐานะไปที่ตั้งของความดีคนผู้เจริญกรรมาฐานคือผู้ตั้งใจทําความดีก็ถ้าอยจะพูดกันในมุมของท่าคนไม่เจริญกรรมาฐาน ก็ตั้งใจไว้ในจุดทของความชั่วก็อะไรมหมก็กรรมฐานนะ่ะเป็นที่เป็นเหตุตั้งสติสตัมปชัญญะถือว่าถ้าเราจะตายถ้าเราขาดสติสตัมปชัญญะในความหมายถึงว่าเรามีหวังดั่งอบายภูมิอบายภูมิก็มีอะไรบ้างมีนรกมีเปรตแม่สุรกายมีสัตว์ฉันเวลานี้เราเกิดเป็นคน ถ้าบาังเอิญต้องไหลลงไปสู่อบอยภูมิก็ถือว่าเป็การขาดคุณไบอากาศเป็นคนให้คนนานการจ่ายกระมาทานมีอะไรบ้างพื้นฐานกระมาฐานจริงๆก็หนึ่งรู้จักการให้ทานถ้านึกถึงการให้ทานอยู่ก็ถือว่ามีจารการุติกระมาฐานเป็นกำลังใจ มีสมาธิได้จาคานุสติถ้านึกถึงทานอย่างเดียวไม่นึกถึงอย่างอื่นก่อนจะตายแล้วก็ลงรกรกไม่ได้แล้วอย่างเร็วที่สุดการนึกถึงภายก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเรืองสติวโลกหรือสูงกว่านั้นถ้าบริการในสองพื้นฐานที่กำมาฐานก็คือศีลศีลเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิถ้าสมาถ้าศีลดีสมาธิก็เกิด ขณะใดาที่จิตเราทรงสมาธิดีคือเวลานั้นแสดงว่าสิ่งเราเบริสุทธ์บริสุทธิทขณะใดาที่คุมสมาธิไม่อยู่เวลานั้นแสดงว่าจิตพเราต้องให้ได้ของสิ่งเนเครงวัดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วองค์ที่สามกรรมาฐานก็คือปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นรวมความว่าทั้งทางก็ดีทั้งสิ่งก็ดีทั้งปัญญายก็ดี ปัญญาในหน่อยที่บัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงของธรรมชาตอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปรากฏกับเราก่อนที่จะตายเวลานั้นการตายครานั้นอย่างเร็วก็ไปสวรรค์อย่างกลางก็ไปประมาณโลกอย่างดีที่สุดก็ไปพนิพพานสุนนดทติกําลังใจปฏิการจริดกระมังฐานขบรรดาท่านพระธบรมสัจที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํา ว่าก่อนที่จะภาวนาได้รู้มันรู้เรไว้ใจเขาออกเขาตามอเรียกว่าก่อนภาวนาได้พิจารณากันแล้วกันอันดับแรกพระพุทธเจ้าให้ทรงพรหมิหารสี่ไว้ก่อนคือทั้งกำลังใจว่าให้จิตของเราตั้งอยู่ในพรหมิหารสี่แล้วก็ทรงแนะนำว่าพรหมิหารสี่นี้ต้องมีตลอดยีส่สี่ชั่วโมง แม้จะหลับจิตใจก่อนจะหลับใจก็ออยังลึกถึงความหานุสีอยู่ความมีหานุสีก็คือหนึ่งเมตตาความรักให้จิตมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะไป็มิตรกีดีของคนแลสัตว์ทั้งโลกเนี่จะไม่เป็นศัตรูกับใครสองภาวนาความสงสารเราจะมีกําลังใจสงสารหวังจะสงเคราะห์คนและสัตว์ทั้งโลก ให้มีความสุขตามที่เราจะพึงทำได้ถ้าเรายังไม่มีโอกาสจะทำเราก็ไม่ทำได้คิดคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะทำถ้าสา ม, มุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชาดเสียใ ค, ใครใครได้ดีพรายิ่งดีด้วยศีเบะขาวางใจถ้าความทุกข์ใดมันเกิดขึ้นก็ดีสิ่งใดที่เกิดเกินความสามารถเราก็ตาม ในเมื่อเราไม่สามารถจะรับทุกได้ไปสามารถจะทำได้เราจะวางเฉยไว้ก่อนจะไม่กลุ้มถ้าทุกคนมีทรมีอาหารสี่เป็นเรื่องหน้าสิ้ก็จะบริสุทธิ์สตกจะตั้งมัน่นปัญญาก็จะเกิดหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำว่าเวลาที่เราจะภาวนาก็ดีที่จะนายก็ตามตอนนี้จะพอดี ก็จงพยายามระงับกีวรห้ารายการอย่าให้กวนใ จ, จเฉพาะเวลาจริงกรรมฐานเพือหนึ่งคามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพเป็นของรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเฉพาะเวลานั้นอย่ให้มีเวลาอื่นมันมีก็เป็นเรื่องธรรมดาการที่สองอารมณ์ไม่พอใจการที่สามความง่วง ราการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปราการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติก้อนนิวรณ์ท้งห้ารายการนี้พระพุทธเจ้าทรงกล่าว่าเป็นกิเลสยาบที่ทำบรรยายถอยหลังถ้า น, นิวรณ์ห้ารายการอย่างใดอย่างหนึ่งมีขั้นหน้าที่เราจเจริญนภาวนาเวลานั้นสมาธิจะไม่เกิดเพราะว่านิวรณ์เป็นตัวจั เคยจาเป็นถ้ามันเออไม่เกิดขึ้นแล้วก็สลัดทิ้งไปด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วรู้คำปรนนาแทนแ้าเป็นธรรมดามันก็ต้องสู้ไปสู้มาเพราะจิต ก, กินิวร์คบกับมานนานอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานเดิมที่ทุกคนจะต้องทําก่อนหน้าเจริญกรรมฐานต้องมีแล้วก็มีในระหว่างเจริญกรรมฐานด้วยหลังเจริญกรรมฐานแล้วขจิตทรงตัวไปตามที่ ดันั้นสมาธิที่ได้จะถือว่าเป็นการสงฌานเพราะว่าถ้ามีลมตามนี้ตามนี้กล่าวมาแล้วเราจะเข้าสมาธิเข้าฌานเมื่อไหรก็ได้แต่การเข้าสมาธิการเข้าฌานเมื่อไรเมื่อก็ได้อย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้สงฌานหรือว่าถ้าเราฝึกมโนยิทธิแปลว่ามีทิฏฐิใจเราสามารถจะเห็นสีให้เราได้โนกตวันเมื่อไรก็ได้ เราสามารถจะไปโลกไหนเมื่อไรก็ได้แต่ไปจักรวาลไหนเมื่อไรก็ได้นึกปุ๊บรู้สึกปับ๊บทันทีอย่างนี้ฉันเียกว่าเป็นผู้ส่งฌานมีนวสีคําว่านวสีเพื่อการคล่องตัวอย่างนี้ถือเป็การสงารงฌานแน่นอนก็ขึ้นก็ยัไว้ก่อนด้เวลาพอดีตอนนี้ไปก็ขอพูดเพื่สิ่งข้อดีสิ การสิงข้อดีสิทธิ์นี่คืออากาศกรสินปุณณสมัยของอากาศกรสินก็คือว่าในฐานที่ใดถ้ามีอากาศน้อยเราต้องการให้มีอากาศพอดีกับความต้องการของเราคนนึกถึงอากาศกระสินจะถือว่ามีความจะเป็นน้อยทำไมได้ยังตามถ้ำต่างๆเนี่ยตามถ้าต่างๆถ้าเราไปอยู่ถ้า บางทีถ้ามัเล็กแล้วเล็กกลึกเกินไป อ, อับอากาศไม่พอเราก็ใช้อากาศกับถี่นช่วยแต่บางท่านบางท่านที่ทรงฌานอย่างดีหรือว่าอาจจะทรงโลกุตรชาชัยก็ได้ถ้าโลกุตรชาชัยก็เป็นพระอริยเจ้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะักบางท่านที่เข้าไปเหงออับมากแต่ก็เข้าไปก็มีความปลอดโล มีความรู้สึกสบายขั้นเสือหาตามความเป็นจริงเข้าแล้วก็ปรากฏเคยมีพระเข้าไปอยู่นั่นท่านใช้อากาศเกลือหินให้มีการพอดีแล้วก็จั่งไปเลยอธิษฐานทิ้งไปเลยว่าให้บริหารในสถานที่นี้มีอากาศเกลือหินมีกําลังใจพอดีพอดีที่กําลังพอดีที่เราจะเป็นไซส์ใทถ้ำประเภทนี้เคยพบเใบริการหนึ่งในฐานะที่เราฝึก กสินกสินนี่ก็เป็นพื้นฐานใหญ่คือเป็นต้นทางของเป็นต้นทางของอวิญญาอวิญญาที่มีความสำคัญที่เราจะใช้กันมากก็คือวาโยกสินวาโยกสินรู้สึกว่าเป็นกสินที่มีความเป็นยี่กว่ากสินใดทั้งหมดก็ต้องการจะไปไหนเนี่ยต้องใช้วาโยกสิน พอจับจิตจับยาโยกสินปั๊บนึกว่าจะไปไหนก็จับยาโยกสินปั๊บมันจะไปทางดีถ้าบังเ อ, อิญในสถานที่นั้นมีอากาศน้อยไม่พอดีกับร่างกายอันนี้มันไม่เหมือนมโนยิธินะมโนยิธี่มเราเอาใจไปไม่ต้องพึ่งอากาศแต่ว่าถ้าพิงญาแล้วร่างกายไปด้วยต้องพึ่งอากาศร่างกายก็คือร่างกาย สิ่งที่มันต้องการมันก็ต้องการของมันแเราจะห้ามไม่มันต้องการไม่ได้ถ้าสถานที่นั้นบังเอิญมีอากาศน้อยเกินไปไม่เหมาะกับเราเราก็นึกถึงอากาศตัวสินเทียงเท่านี้อากาศตัวสินอากาศก็จะปรากฏพอดีตามที่เราต้องการตอนนี้ถ้าเราไปโลกบางโลกในจักรวาลของมนุษย์อย่างโลกท่าทิศนลกวิญญาณโลกแรงขานโลกวัตถโลกหัตถโลกเกศโลกวิสาหอะไรก็ตาม ทั้งนี้ไอ้คาว่าโลกที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตน่ยท่านบอกว่ามีเป็นแปดหมืนจักรวาลมันไม่ใช่แบบมีโลกเดียวของเราที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเออไปอ่านหนังสือเขาเกิดพุทคาตาตองเขาบอกว่ามีแปดหมื่นจักรวาลหม้ควายจักรวาลต่างข้าวจักรวาลก็คือโลกมันมีสิ่งที่มีชีวิตยอยู่มากมายแต่ว่าถ้าเราไปยังไม่ถึง เราก็คิดว่ามันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเมื่อไปถึงแล้วแต่ไปถึงมุมใดมุมหนึ่งโดยเฉพาะเราเข้าไปไม่ถึงไอ้มุมของที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเราก็รูกว่าไม่มีอันนั้นก็ไปถึงถ้าไปถึงต้องไปให้มันทั่วอย่างโลกไบจันเนี่ยมีอากาศไม่พอดีกับคนกับโลกม น, นุษย์นี้อากาศเบามาก อย่งโรคร่งคางกายนกัดมืการแข่งกว่าโรคประจันอีกแต่ว่าถ้าโลกประสบอากาศดีมากคล้ายๆกับโลกมนุษย์นี้ท่านโลกสูตูกับจามร อ, อันนี้ก็มีอากาศดีมากนี่เล่าสุ่มกันฟังนะไปได้เปล่าก็ท่านโลกไหนถ้าอากาศไม่ดีแล้วก็นึกถึงอากาศเกาสิน อ้ น, นี้เป็นวิธีการฝึกนะแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงเขานําไปพร้อมกันเพราะคำว่ากรรมคําว่านําไปพร้อมกันเพราะว่าขั้นที่จะได้ปัญญายจริงต้องคล่องในกา้าวศีลสิบหมดคำเมื่อคล่องในกา้าวศีลสิบใ น, นกรหมายความกา้าวศีลต้งสิบกองเลยต้องการเมื่อไรได้ทันทีแล้วก็วิธีฝึกก็ต้องนั่งไล่เบี้ยกันทุกวัน เข้าชานันหนึ่งถึงสี่ประทวีเกสินถล้าก็ออกจากปัตตวีเกษินมาถึงเตอถตาถึงเตโชกกสินเข้าหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่เตโชสินมาถึงอาโปกษินมาถึงวายโยกษิ น, นว่าเรื่อยไปหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่หนึ่งสี่เรื่อยไปตนสิิกินต่อมาก็จับเฉพาะชันสี่เกสินไพ่ออกมาหายกินตนต่อไปก็จับการสลับนสลับัสบกสินจะส่งชันสี่ เข้าชั้นหนึ่งออกจากชาั้นเอ่อออกจากาสินหนึ่งเข้าชั้นสี่เไปกรสินที่หนึ่งแล้วเข้ามาเข้าชั้นสี่กสินที่สามหันกสินที่สองหันก็ะสินที่สี่เพราะว่าเขาเรียไปสลับไปแล้วต่อมาเข้าชา้สลับชา้สลับกสินอันนี้ต้องทํากับทุกวันทำจนถ้ามีการข้องตัวฉะนั้นเวลาที่ต้องการจะใช้กสินกองไหนก็ไม่ต้องใช้เวลาไปนั่งลองขับสมาธิไม่จําเป็น จะเดินไปเดินมาจิ๊ดเล็กตาเพราะนึกปั๊บมันจะปรากฏขึ้นทันทีทันใดเพราะใช้เป็นประจำเหมือนกับวิชากินข้าวที่พ่อกับแม่สอนมาตอางเด็กตอนอยังเด็กก็เปิบข้าวมัเอาไว้เปิบข้าวไ ป, วไปเป็นป้ายหน้าบาัา่งไปหลังมั่งในกํลาลังฝึกหัดแต่เพราะว่ามีการข้ของตัวแล้วมันชินก็ไม่ต้องเป็นนึกว่าจะเปิบข้าวจงไงจะตัดข้า ว, จ ะ, าาวจะนึกจะตักข้าวหรือจะตักกัดมันไม่จําเป็นมันทําได้ ท, ทันทีทันใด ต้องทำเกสินให้คล่องตามนี้ฉะนั้นมาว่าจะ็เรื่อากาศเกษินเวลาจะทําจริงๆก็ขอพูดอย่างประพิตประเพณคนได้แล้วเพราะว่าแนะนํากันมาที่เก้าเกษินแล้วถ้าจะทํากันจริงๆก็เกสินไหนค่องต้องขึ้นปตวีเกสินก่อนจับปตวีเกสินเป็นทางสีมาเตโชอาบววยโยมทางสีเรื่อยเฉยมา ถึงอาโลกสินเมื่อวานนี้ให้ตั้งอยู่ในช้างศแล้วต่อไปจับอากาศกับสินขออากาศภาคอาก า, กาศที่เป็นมวลหมู่เป็นกลุมใหญ่จปรากรวดขึ้นเพราะอาศัยจิตเยินชางศีรษะนว่าอากาศหยาบมากอากาศจะเปกลุมเป็นก้อนคล้ายกับเมฆนี่ด้วยกําลังชางข้อตาปเปล่าจะมองมเม่นอากาศสีน้าแสงสว่าง ตอนนี้ถ้าเราใช้กำลับบงชานก็จะเห็นความเนือน่อ เ, นอเนื้อแท้ประกาศว่ามีความหนามแน่งขนาดไหนจิตก็จับอากาศนั้นพยากรณ์ว่าอากาศอาการกับสีหนังไอ้ น, นี่ก็ไม่ยากเพราะว่าเราออกมาจากชานสีของแกสิงโตสุดท้ายในเมื่อมาจากผ้าอะกาศเข้าอันดับแรกว่าเดี๋ยวเดียวก้อนขนาดกู่หนึ่งมันจะอยู่ในท่าอกอก็หาไมิด คือเป็นมิตรแท่กลางไม่ใช่มิตรตนแล้วไม่ใช่คณิการณ์สมาชิกก็สถิการณ์มิตเพราะจะพับกลุ่มอากาศจะปรากฏจะปรากฏเป็นโรคอากาศโรคอากาศเสียอะไรไม่ต้องบอกกันเราหากเราได้ชานแล้วมันจะไปกล่มจิตจับกลุ่มนั้นเมื่อจิตมันชินในทางสื่อมันจะก้องก่อนจิตก็จะมีการทรงตัวทันทีไม่พบภาพอากาศ เวลานั้นผ้ากายต้องคลายจากรูปเดิมเป็นสีขาวประเดี๋ยวเดียวมันขาวแ๊บเดียวมันก็ขาไปแท่งครึบตอนนี้เป็นโอกาสกับอุปจารสมาธิอุปจารชานก็ไม่จําเป็นต้องไปซักซ้อมที่กุญแจอีกแลเร่งรัดต่อไปจับต่อไปไปเดี๋ยวเดียวมันก็จะกลายเป็นแก้วใสถ้าภาพกลายเป็นแก้วใสพับกรถึงคข้าวแก้วลมให้ใจอยันน้อยลง พอแก้วใสที่สุดจะไม่ป ร, กรากฏลงในใจเวลานั้นเป็นทางสีไม่ยากก็สิ น, น้ะมันยากกองเดียวเมื่อสินเป็นทางสีแล้วตอนสินไปแก้วใสแล้วต่อไปเราปฏิบัติเพื่อมรรคผลการปฏิบัติของเราเราไม่ใช่เล่นแก้วสินเพื่อสนุกเ ร, ก า, ราต้อตงการเหาะเป็นการดำน้ําดําดินไม่ใช่แบบนั้นเราต้องการเพื่อมรรคผล เราก็จับอากาศกสินเป็นวิปัสนาภาวนาคอย ห, หลังจิตมานิดหนึ่งให้มันคิดได้ถ้าจิตเป็นชางสีมันคิดไม่ออกที่บางคนมาถา ม, มบ่อยๆมีอารมณ์ดีมันทําอะไรไม่ได้ทําไงต่อไปเรื่องเมื่อมันทําไม่ได้อย่าคิดจะทําทมันก็ซวยเต็มทีเวลานั้นจิตประทร์ตัวมันเป็นเอกคตารมเราเบิขา เอากับตาลมคืออารมณ์เป็นหนึ่งโดยเฉพาะมันจับอะไรจะจับอยู่อย่างนั้นอุบัติขาไม่จะเฉยตาดวงอื่นทั้งหมดมันจะส่งตัวถ้าจิตจะสว่างมากแปลกายเขาชันสีถ้าต้องการจะใช้แปลรมณ์พิการณาญาณก็ถอยหลังจิตมานิดหนึ่งปล่อยอารมณ์ให้เบาจิตก็จะเริ่มคิดได้ภาพก็สิ่งก็จะส่งตัว ก็คิดถึงภาพกระสินตามความเป็นจริงว่าภาพกระสินนี้เดิมทีเดียวมันไม่มีมันไม่ปรากฏบนีนิรากายจริงแต่ไม่ปรากฏกับสายตาของเราเวลานี้เราเมื่อมีเรื่องจะมีความต้องการภาพกระสินก็ปรากฏขึ้นถ้าจิตไปาข้นไหวนิดเดียวภาพากระสินก็จะหายไปถ้าเราล ว, วกโล่งกําลังใจใหม่พับใจทรงตัวภาพกระสินก็เกิดขึ้น ก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าภาพเจ้าสิงกับชีวิตใน ร, ร่างกายของเราก็มีสภาพแบบเดียวกันร่างกายของเราที่เกิดมานี่มาก่อนก็ไม่มีใครเห็นว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าถึงวาระก็เข้ามาไนสมทีในคันขามารดาร่างกายขเขาก็เกิดขึ้นเหมือนกักบเกสิงที่เราจะจับภาคตั้งแต่เป็นขันนิการสมาธิเริมาเขาเกิด พอเกิดเต็มกำลังเขามันแล้วมันก็มีสภาพเสื่อมจิตกนไหวจิดเดียวมันก็เสื่อมหายไปมันก็มีสภาพก็ร่างกายที่มีความเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วมีการสลายตัวเป็นอันดีสุดแล้วก็นั่งมองดูในไ ด, ได้เวลานี้จิตมันเป็นคิดนี่จิตสะอาดมากมีกำลังสูงนี่วนไม่ส่วนก็นั่งค่อควรต่อไปว่าตายเกิดและการตายของสัตว์มันเป็นศพก็เป็นทุกข์ เวลานั้นมันจะเห็นทุกชัดแล้วก็แดนที่มีความสุขมีไหมคนที่เกิดมาไม่เป็นมนุษย์อย่างเรามีร่างกายมีหนึง้าอย่างเราไม่ท่าสี่อย่างเรามีใครบ้างไหมที่มีความสุขปัญญาที่เข้าใจจริงไหมก็บอกไม่มีไม่มีดินแดนที่มีความสุขมีไหมความมีชีพมันเกิดไหมก็จะบอกทำงานมันเอง มันก็จะเห็นเทวาดาเห็นนางฟ้าเห็นธงเป็นผู้ที่มีความสุขไม่มีขมขื่ไม่มีขมโื่ยแต่ก็รู้จริงต่อไปว่าไม่ชาทั้งหดจุติหมดบุญก็หาดินแดนต่อไปว่าที่ินแดนใดบ้างที่เราคิดว่าจะมีความสุขที่สุสดก็มีความเข้าใจดังคำสัสอนของ ส, อง ส, เสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนิพพานก็หันเข้ามาจับร่างกายของเราหนึ่งสกายยะนิพพิ มีความรู้สึกตามความจริงว่าเออเนื้อนหนังนี่เประกอบไปท่าสีที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเราจริงๆมันลอยอยู่ที่นี่แล้วสมองข้างนอกอนนั้มันนั่งยแยะแยะอยู่นั่นไม่เช่าก็าจะไหลตัวอจิรังปฏิยงังกายโยร่างกายนี้เมื่อวิญญาณไปปราศแล้วก็เป็นของที่บุคคลก็ต้องทอดทิ้งไรประโยชน์เขาไม่โยชนไม่ได้ เวลานั่นจิตสะอาดมากจะคิดถึงพระโสดาภิธาคานาคารมาไม่คิดหรอกมันก็คิดตัดสินใจว่าขึ้นที่ว่ากลางกายประเทศนี้มันจะมีกับเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่เห็นความสวยสดงงามของมันเราไม่เห็นความสุขที่เกิดจากมันแล้วเราไม่เราไม่เห็นความย่างเงย็นที่เกิดจากมันมันเป็นดินแดนนำมาซึ่งความทุก เวลานี้ขึ้นอยู่เวลานี้เรามีความจําเป็นจำใจต้องอยู่กับร่างกายแต่ร่างกายที่สลายตัวเมื่อไรเราขอปฏิภาณมาื่นั้นเวลานั้นแต่คิดอย่างนี้ภาพกระถิงจะเป็นจะเปลี่ยนจัดใสกายกลายเป็นแจ้วแพ ร, วพราวิทยับต้องจําอารมณ์นั้นไว้นะเวลานั้นอารมณ์สะอาดมากมันจะแพร ว, พราว่างทั้งดวงถ้าแพรว่างทั้งดนงถจิตเดิมไปขา ว, วางเฉยทรงตัว ไม่มีความพอใจในโลกมนุษย์ทั้งหมดในโลกและภพโลกทั้งหมดเวลานั้นอารมณ์สะอาดเข้าพระอรหันต์ถ้าวันไหนถ้าเราทําไม่ถึงอย่างนั้นแสดงความสะอาดไม่ถึงนั่นให้ความสะอาดาพระอรหันต์อยกคิดสะอาดทั้งวันทั้งคืนมันจะเป็นเฉพาะโจรกล้ า, ลาวแต่มีความจําเป็นต้องทําทําให้มันชินวันหนึ่งก็ชินสายเพื่อคาปบริบบอย่างนั้นวันนักที่นัที วันหนึ่งได้แสองสามนาทีไปที่พอใจทําได้ทุกวันต่อไปไม่ช้าอาการนี้จกชินชินก็คือมีลมเป็นฌานต่อไปเห็นภาพกระสินมาอะไรแลร่พามานั้นเห็นภาพกระสื้อมะไรแปลร่รามานั้นก็หันมาดูสังโยชน์ว่าเราตัดจิตเวลานี้เราตัดสังโยชน์ได้ท่าไหร่าต้องมาศึกษาสังโยชน์เวลาไม่มีถ้าตัดได้สามเราเป็นกระโสดาได้สี่ฐานา ถ้าตัดได้ห้าเราเป็นพระนาคามีถ้าตัดได้สิบจะเป็นพระรหันฆราวาสเช่นนี้ก็เป็นพระรหันนั่นเป็นไม่ได้นะฆราวาสจะเป็นราหันต่อเมื่อใกล้จะตายถ้าเป็นแล้วตายวันนั้นมีผ่าวันนั้นใช้ได้ถ้าเป็นหันข้างไปงัน้นคืนนั้นไม่มีเป็นฆราวาสอันต่อนี้ไปก็ขอแนะนําเรื่องมโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีดิถันใจอันนี้ก็กระสิน แล้วก็ถามว่ามาโนยิทธิอมาจากไหนก็าตอบก็อมาจากพุทธานุสติกับกสิณอันไหนเป็นพุทธานุสติเพราะว่ามาโนยิทธิอันดับแรกเขาต้องให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก่อนที่เรามีความจําเป็นต้องต้องใช้ที่เรามีความเคารพเราชอบมากให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นการนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ หรือว่าเราสามารถเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้ไม่ไก็เป็นพุทธานุสติอันนี้การเห็นพระพุทธรูปถ้าพระองค์พระพุทธรูปถ้าพระพุทธรูปเรานึกถึงเป็นสีเหลืองเป็นปิตากราสินถ้าเป็นสีขาวเป็นโอทาเจราสินถ้าเป็นสีใสเป็นอาโลกาสิน อย่ง น, นักปฏิบัติที่ได้แล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นแก้วใสพระแผวพาบริยบอันนั่นเป็นเป็นอารมกสินเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นอารมกสินด้วยถ้าใครเขาถามก็บอกเขานะว่ามโนยุติออามาจากไหนการตอบเขาบอกว่าเอามาจากพุทธานุสติกรรมฐ า, านกับกบสิณวิธีปฏิบัติอันดับแรกครูจะให้รู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาหายใจเข้าภาวนานึกภาวนาว่าณนะมะเวลาหายใจออกเนึกว่าพระพระทำไมนะ่นเวลาหายใจเข้านึกว่ามะณนะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพระพระการภาวนาอย่างนี้ถ้าลูนลมหายใจเข้าออกถูก็จะให้เวลาประมาณสิบนาทีแต่ว่าในช่วงสิบนาทีนึกว่าจะใช้เป็นเวลาน้อยนะ บางทีจิตมันก็นำเรื่องอื่นเข้ามาแทรกคิดน่นบ้างคิดนี่บ้างเขง้ามแทรกก็ถือว่าเป็นของธรรมดาถ้ารู้ตัวว่ารมมันเพลิดไปก็เราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่รู้ลมให้ใจเข้านึกวันะมะให้ใจออกเพืพระ้านำผ้าพระใหม่ก็กลับมันไปแบบนี้พ อ, อได้เวลาประมาณสิบนาทีก็ยังมีคนเข้าไปแนะนาคนแนะนำนั่นคือครูผู้สอน เวลาที่มีครูเข้าไปแนะนําขอทุกคนเลิกภาวนาไปเลยไม่ต้องภาวนาและก็ไม่ต้องสนใจกระหม่อมใจเขาออก <c oughs> ตั้งใจรับฟังคําแนะนำเขาพูดแนะนําเขาจะแนะนําในด้านา ก, การด้านตะกีเลสเขาพูดธรรมะในการตะกีเรศขณะที่ฟังเขาอยู่ให้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพ เวลานั้นขณะที่ตั้งใจฟังอยู่จิตจะเริ่มสะอาดจากกิเลสทีละน้อยแต่น้อยจิตของเราที่ไม่มีความไปทิศตรงกิเลสในพ่อปู่ในเมื่อกิเลสขยายตัวออกไปมากมากถึงที่สุดจิตจะไปทิศมากถึงที่สุดถ้าจิตกิเลสขยายไปไม่หมักนักไปกลางก็จะไปทิศไปกลางถ้าจิตกิเลสขยายจากิตไปน้อยกิเนความมีความไปทิศน้อย ท่า น, นมีจิตเป็นทิพย์น้อยจิตจะมีความรู้สึกจะไม่เห็นภาพถ้ามีความเป็นทิพไปกลางจะมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดเป็นจิตมีความอจะจิตมีสภาพสะอาดมากจิตจะมีความรู้สึกเรื่เห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดกําลังสมาธิของนักปฏิบัติว่าจิตของท่านมีสมาธิขนาดไหนแต่ถึงอะไรก็ตามท่านครูเขาถาม ขอให้ทุกคนเชื่อความรู้สึกของจิตถ้าเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้ า, างหน้าบ้างให้ทีความรู้สึกเป็นสาคัญถ้าความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าเขาถามว่าท่านี่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงชายก็ตอบตามนั้นเขาถามเรื่องการแต่งร่างกายรูปรา่างแต่งร่างกายสีอะไรก็ตอบตามนั้น หลังจากนั้นเขาจะแนะนำให้ไปพุทธลาภมณีจีริสถานบรนสวรรค์ชั้นดาวดิงสติวัโลกแล้วะจะนำไปนสวรรค์อรัมบรรดายาโยงพุทธบริษัททุกคนตอนนี้ไปหันหน้าไปทางพุทธลูกตั้งใจสมาทานสิงสมาทานเลรรม